เรีนรู้นาศึกษาตอนนี้เราศึกษาจะภายนอกตอนนี้เราศึกมาที่วัดก็มาศึกษาตัวเองนั่งต้องศึกษายัางไงต้องรู้อย่างไรหรือเรียกปฏิบัติธรรมนั่นเองก็คือการศึกษาตัวเองเนี่ยนะงั้นจากศึกษาธรรมะไม่ศึกษาที่ไหนเนี่ยตัวธรรมะแหละเนี่ยามารู้ที่ตัวเราเนี่ยธรรมะนะ เลทุบอ่ะนิชิแจมทั้งสามนิชิแจมหรือนิชิพัทลุบเค่อนกันเมื่อกี้ถามว่าเกิดมาทําอะไรใช่ไหมเกิดมาทําไมใช่ไหมส้านพ่อคำถามที่ดีนะฮะเกิดมาทําไมเกิดมาทําอะไรถามพักถามพ่อไมจริงต้องตอบตัวเองต้องตอบเอ๊ะเราเกิดมาทําไมใครถามตัวเองนะนั่นแหะสีตอนนี้เราลองลองลองตอบตัวเองลองตอบดูที่ว่าเอ๊นี้เราเกิดมาทําไม ลองลองมีง่ินมาที่นี่เราเราพูดแต่เรื่องเราไม่ไดไม่คงไม่ได้เน้นเรื่องศีลและธรรมนะนะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติเรื่องสตินี่สำคัญ อ, อันนี้ถ้าเรารู้ตัวเราเนี่ยรู้ศุกษาตัวเราเข้าใจตัวเรารู้จักตัวเราแล้วเนี่ยศีละธรรมมันก็พลอยได้ไปด้วย บางทีเราเรียนศีลธรรมเรารู้จักศีลธรรมแต่ไม่รู้จักตัวเองเราก็ยังทาผิดอยู่นั่นยังผิดส้นอยู่นั่นนี่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนครับคพราะฉะนั้นชาเรามารู้ตัวเราเองเลครับอยู่เดี๋ยวพ่ออยากเชีงชายถามได้พ่อใจดีนะครับใจงานว่าเกิดมาทาไมอยากอยากรู้ชีวิตอยากอยารู้ว่าทำมาเนี่ยอาจารเ์พิโรธายก็เคยตั้งคาถามมาแล้ เกิดมาทำไหมแต่ท <sein> ห <Sur> uh> ้ก็พูดให้ฟังว่าเกิดมาทำไมใช่ไมครับบางทีอกเกิดมากตอบันตอบเกิดมาทาไมเมาใช้กรรมะฮะใช้กรรมเากมาันก็ถูกอ่ะนะคำว่าใช้กรรมเราต้องคับใจว่ากรรมการแปลว่าการกระทําเราเกิดมาแล้วก็มีการกระทํานั่นแ่ะเรียกว่า เราก็ใช้กรรมอยู่เรื่อยใช่ไหมเหมือนเราคิดอยากจะอย่างเราไปเรียนหนังสือเนี่ยคิดที่จะไปเรียนหนังสือนี่เราก็ไปใช้กรรมแล้วคิดที่จะเรียนนั่นแหะแล้วเราก็ไปเรียนหรือไงแล้วเราคิดอยากจะไปเที่ยวแล้วเราก็ไปเที่ยวนั่นเราก็ไปใช้กรรมใช้ใช้การที่เราคิดนึกแต่นั่นใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ไม่รู้อยจนหมดเลยตอนนี้เราให้เราเข้าใจอันนี้นะ กรรมก็ไม่ ก, กระทำกลางๆเป็นกรรมแต่ว่าการกระทำใช่ไหมอืมตอนนี้ที่เราการกระทำอะไรนั่นแหละถึงมาให้เรามีสติให้เรารู้ตัวว่าที่เราทําไปนั่นเป็นประโยชน์ต้องให้เป็นประโยชน์นรชนตรงนี้ทั้งหากันใช่ไนหะเรียกว่าทํากรรมดีและกรรมไม่ดีการทําดีก็คือเรียกว่ากรรดีก็ทําดีถ้าทําไม่ดีก็เรียกว่ากรรมชั่วกรรมไม่ดีตอนนี้เราก็ต้องศึกษสาอีก ถ้าทำดีแล้วเป็นไงเป็นทุกข์ก็เป็นสุขให้ผลเป็นทุกข์เป็นสุขอืมถ้าทำฟ้าไม่ดีให้ผลเนี่ย <c oughs> <c oughs> กุศลธรรมะกุศลธรรมะที่จริงนสี ส, นะสวดสวดคนตายที่จริงนี่ก็าสวดให้คนเป็นฟังเนะี่ยอาศัยว่าเนี่ยตายไปแ ล, ล้วรู้จักอย่างนี้ไหมใช่ใ ช, ใชผมชอบบางสกุลเป็นนท่านพ่อฮะคำแปลของบางสกุลเป็นผมชอบมากคำแปลอือ่ยมันสุขมแกนบางสกุลตายก็เพราะเวลาแปลมาแล้วก็เพราะ นั่เนี่ยความหมายอย่างนี้เข้าใจขึ้นไหมใช่ไหมนั่นเนี่ยโผศลาทำมาแปลว่ากุศลทาํากุศลกุศลแปลว่าฉลาดนั่นเลยนะฉลาดในการที่อะรู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีรู้จักร ด, ดเป็นรู้จักหลีกเลี่ยงกันทําไม่ดีนั่นเลยเรียกว่าฉลาดนะ <laughs> หรือเรียกว่าอีคิวก็ได้ฉลาดดังอารมณ์โอ้เนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาก็รู้จักนะรู้จักเลือก เฟ้นใช่ไหมความคิดนึกของตัวเองคิดไป่ในทางไหนดีหรือไม่ดีรู้จักเลือกเฟ้นรู้จักเลือกนะเห็นถ้าเราเนี่ยเราเรียนหนังสือถ้าเราขี้เกียจไม่ไป เ, เรียนไม่อยากเรียนเนี่ยเอาเดาเดี๋ยดูโท ร, รทัศน์หรือดูเกมอย่างเนี้ยดีหรือเปล่าใช่ไหมก็ไม่ดีเลยใช่ไหมอ๋อเนี่ยก็ต้องรู้จักที่แนะนําตัวเองนะเด็ก<ต> <laughs> สองคนเรียนดีฮะ ก็ดีก็ดีแล้วล่ะเนี่ยก็นี่แหละถือว่าพ่อก็โชคดีอ่ะนะพ่อดีอางทีก็มีลูกลูกก็ต้องเนี่ยมันก็เป็นการที่เสริมเนื่องกันนะ <c oughs> คนเราทีเราทําดีไว้พ่อแม่ทาดีลูกมาเกิดก็ดีใช่นะอ่าอยากจะให้อายุยศคอืมบอกเขาเสมอว่าทรัพย์สินทางโลกเขาหาได้อืมแต่อายรัพย์เนี่ยก็พ่อต้องคอยชีย้นำไปหาคุณบาอาจารย์ เนี่ยต้องเข้าใจอริยทรัพย์ก็แปลว่าอริยะอริยะแปลว่าทรัพย์ข อ, อ, อ, อ, องผู้ประเสริฐอริยะก็ผู้ประเสริฐนั่นเองนะอริยะหรือผู้กายจะฆ่าศึกอืมทรัพย์ก็แปลว่านะสมบัตินั่นเองฮะอันนี้เปรียบเทียบอะเห็นไหม หมายถึงภายในทรัพย์ภายในถ้าเงินทองนั่นหมายถึงทรัพย์ภายนอกนะ <c oughs> <c oughs> นี่เราก็สร้างทัพย์ภายในหมายถึงเรารู้อะไรดียวอะไรทั่วก็อย่างนี้นเราพอที่จะ ร, รู้อะไรบ้างได้นะรู้จกักเลีกเลี่องนะอะไรไม่ดีรู้จักเลือกเฟนอื <c oughs> <c oughs> ครอบเพื่อนครอบผงเรารู้จักดูบ้างเขา คนนี้คนรครบยังไงแล้วไม่คนครบยังไงใช่นะมเออคนนี้เขามีนิสัยยังไงน่าเป็นแนวทางเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นเป็นคุณหรือเป็นโทษนี่ก็พิจารณาก่อนอย่างนี้แหะนะไม่เชื่อใครง่ายๆอ่ะไหมค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ทีละคนเราถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็เป็นไปตามหาแต่ความถูกใจที่มันไม่ถูกต้องใครชวนไปไหนก็เอาไปเดี๋ยวนี้ก็เสียกันเยอะนะ เ็เนี่ยไม่ว่าผู้หญิงนี่ก็เหลือเชื่อเนี่ยตีกันตบตีกันโอ้โหนะที่ยงออกโทรทัศน์ยงที่ฟังดูข่าวแล้วไม่น่าเลยนะน่ากลัวอ๋อนะเนี่ยเราอย่าไปเอาอย่างแล้วดูแล้วก็เนี่ยเป็นตัวอย่างนะนี่ลูกสาวมาปรึกษาปีนี้ขึ้นม .2 ก็เขบอกว่า คือเขาเขาอยู่ชมรมธรรมะที่ผมเล่น<ม>ไว้ปีนี้ก็เลยได้เป็นประธานชมรมธรรมะอ่าก็ดีอ่ะชมรมพุทธศาสนาแดแล้วพ่าจะช่วยอืมอันนี้เป็นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอันเนี้ดีดีอ่านะดีที่สุดเลยแล้วเราพยายามศึกษาเรื่องนี้มันต้องควบคู่กันไปทางโลกและทางธรรมนะโลกเราก็ต้องเรียนรู้ทางธรรมก็ต้องให้เรียนรู้ใช่ไหมอ่าจะได้มีความสุขครับ พอเราเกิดมาก็ต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกคนนะได้ทาําไงเรวก็จะดำเนินชีวิตอย่างไงทีงนี่อยู่เย็นเป็นสุขถึงจะปลอดภัยใช่ไหมบางทีบางคนก็ลืมบางทีไม่ได้คิดถึงข้อนี้เอาแต่หาความสนุกหาความถูกใจนะเดี๋ยวนี้เด็ก ก, ก็เริ่มชอบถูกทางโลกดึกเลยหมดถูกต้องเลยมีความสุขจิน มีอ <ừ, S 1> ะไรถามมาไม่ต้องเกรงใจนะที่เราสงสัยอะไรก็ถามได้ถามเรื่องปฏิบัติเล็กๆนี่แหละเรื่องความรู้สึกตัวถามไปที่หลวงพ่อประโมทก็ไกด้ที่เคยไปกับหลวงพ่อประโมทเขาตอบได้หมด เออไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้นะเออไม่มีเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกให้ชี <c oughs> ้แนะให้ดูก็ได้นะอะเป็นไงเดี๋ยวนี้นั่งรู้สึกสบายนะรู้ได้นะแล้วนั่งอยู่ยังไงไหมขาเท้าซ้อนทับอย่ยังไงรู้สึกรู้ได้ฮนะเป็นไงสบายไหมเอาไม่ถนัดขยับได้ขยับไม่ถนัดใช่เี๋ยวนี้นั่งไงไม่ปวดเมื่อยรู้ได้ไหม <c oughs> เนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรม ให้เรารู้จักนี่แหะปฏิปันธ์ครับรู้อย่างเนี้ยง่ายๆเลยเลยคุณลองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องนี้อ่ะครับครับนะก็ไปมุ่งพยายามทำอะไรก็เครียดใช่ปะ่ะครับอ่าสบายใช่ไหมหนังไหนเก่งเนื้อเก่งตัวเก่งเนื้อเก่งตัวก็ปามันสังเกตุสิบางทีมันเก่งเองนะบางทีเนี่ยบางทีบางทีหลวงพ่อถามว่ามีเก่งเนื้นเก่งตัวไม่ได้เก่งอ่ะทีไม่ได้ดู ผอดูทีลนะดูนานๆนลวงดูที่สังเกตดูบางทีก็ไม่รู้บางทีความรู้สึกเราไมนได้เก่งอ่ะแต่มันเก่งเองอ่ะร่างกายมันจะเกง่งก็เถิ่นความเก่ง ใ, ใจอะไรเนี้ยเราไม่ร่างกายอันนี้ไม่เกี่ยวด้านเนี้ยทีมก็เป็นบางทีเราคิดไม่ได้อะไรไม่อยู่กับฝางคิดอะไรก็อะไรนี่ร่างกายมันจะเกง่งนะนะนะอันนี้คือหมายถึงว่า น, นี่ถ้าไม่เป็นมันก็ดีแล้วอันนี้ดูให้รู้อ่ะนะถ้าไมันเก่งเรารู้จักมันรางกายมันเก่งเหอยแล้วก็ดูเลือดลมมันจะเดินสะดวก นะตอนนี้หิตใจแล้วหายใจเข้าออกดูสิเป็นไงรู้สึกปกอดโปร่ไหมหายใจเข้ายาวๆสินี่นี่รู้สึกสบายหรือไม่สบายนะสังเกตดูสังเกตดูหลายหลายครั้งดูนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจยังไงหาควาค่าไหนยาวหรือยาวหรือสั้นแไหนหาความพอดีอ่ะอืม ยาวไปมันก็ไม่พอดีมันวนะในแม่หาควาพอดีนั่นเองเนี่ยความพอดีก็อยู่ตรงนี้ไม่ว่าเลยให้เรารู้เนี่ยนั่งอย่างนี้ น, นะเน่ยถ้ามันพอดีแล้วมันก็สบายนะหารู้สึกไปไงไ ม, ไม่อัานไม่กั้นรู้สึกอ่านหรือเปล่ามจะผอนขายตีขาดั ง, งใจดังใจมีจะเบา น, นะเนี่ยยืดยืดหลังยืดเอวเนี่ยได้ทุกอรลยบาบอยากให้รู้อย่างนี้นะ เนี่ยเนี่ยเรียกก็มีสตินะเป็นไงเ้างหมรู้สึกเบาเบาใจทีไหมเนี่ยแล้วันวันนี้เราถ้าเราดูอย่างนี้ต่อนี่รู้กายรู้ใจบางทีบอกให้ดูกายดูใจแค่นี้มันไม่พอครับเนาะพอดูกายดูแล้วก็ดูนี่โกรธเลยหรือเปล่ารู้จะแก้ไขนั่นเองก็แก้มันดีนั่นจะดูทําไมอ่ะใช่ไหมรู้ทําไมอ่ะรู้แล้วก็เพ รู้ว่าเออสมายไม่สบายก็รู้จักแก้ไขอันนี้แหละปฏิบัตินะง่ายๆเลยเออเออนั่งขัดสมาธก็ได้เดี๋ยวนั่งนั่งนานนเดียวนั่งนั่ ง, งขัดสมาธก็ได้เอานาอนั่งก็ได้มาที่นี่อยากจะให้ดูตัวเองนะดูตัวเองจะได้รู้จักเออบางทีเราไปอยู่นั่นเราจะได้าสส่าวแต่ว่าตอนนี้เราเข้าสังคมนี่ก็อีกเรื่องก็ต้องดูสังคมเออเขา เขานั่งอย่างไงไอ้นี่เราจะนั่งตามของเราก็ไม่ได้ที เ, เอีอเราก็ต้องตามสังคมเขาเราก็จะปรับได้นะเนะียให้เรารู้จักตอนนี้นดีดป่ะดีวไหมไงสบายขึ้นนะพอเปลี่ยนยเรียบอร้อยสบายกว่าพระเพียบบางทีนั่งพระเพียบไม่เคยนั่งมันจะนานๆมันจะเมือ่อยใช่ปะ่ะครับหลวงพ่อไอ้ พ, พียบเพียบๆนานก็ไม่ได้เราจะปวดขอ้อเข่านะเพร่ต้องต้องซอมเนี่ยที่ขึ้นชั่วนานเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดแล้วมันตอนนี้มัน ร่างกายมันมันคล้ายๆมัน <laughs> มันธรรมชาติมันมันมันจะแก่มากแล้วเหมือนอะไรกันเ <laughs> ลยเนี่ยนั่งตัวตรงหรือนั่งตัวงอรู้ได้ใช่ไหมนั่งตัวตรงสบายหรือนั่งตัวงอสบายตอบตัวเองนะอันนี้ไม่ต้องว่าเพื่อจะมาตอบหรอเพื่จะตอบตัวเองด้วยให้เรารู้ให้เราเราู้จักอ่ะ นี่ให้เราสังเกตรู้สึกจริงจริงอาีจะนั่งโตงงสบายก็ได้แต่ต้องดูว่านั่งตัวตรงนั่งได้นานกว่าหรือนั่งตัวงอได้นานกว่าเปรียบเทียดูเอาเองแต่เนี่เราพยายามอยากเลือกที่นั่งตัวตรงนี้อยากนั่งได้นานกว่าและวความรู้สึกดูจะดีกว่าเพราะถ้าเรานั่งตัวงองมันจะปล่อยจิตใจเราจะเลื่อนลอยง่าย ถ้ไม่สังเกตไม่รู้เลยมันถึงว่าต้องนั่งตัวตรงวะอาจจะตรงแต่ว่าตรงนานๆมันเมื่อยก็อาจจะงอวุ้ยจะแก้ห น, น่ใช่ไหมอาจจะนั่งตรงแล้วเรตรงตรงตรงถ้าเราไม่ดูไม่รู้จัดเคลื่อนไหวเดี๋ยวหนังแข็งเลยนะ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกตัวนั่งเราเคยเคยนะก็แบ่งไปเพื่อสบายเนะีย่ยความสุขเราอยู่ตรงนี้นั่นอริบทเนี่ยครับสําคัญนะอย่าไปมองข้างนะ นะเนี่ยหลงวงพ่อปฏิบัติมาเคือย่างเนี้ยถ่ายทอดให้รู้อย่างนี้บอโอ้มันอยู่ตรงนี้การปฏิบัติครับนะปฏิบัติที่โตเรานี่นะผมคงเคยสอนลูกสาวโอเคอันนี้คือสายของคำสุนทรูนะครับท่านให้สังเกตสภาวะนะคืออย่างสอนเด็กเนี่ยท่านจะสอนให้เคยโกรธหรือเปล่าเป็นโกรธโกรธพอโกรธแล้วรู้สึกตัวว่าโกรธใช้ได้แค่พอรู้ตัวว่าโกรธ เห็นเห็นความโกรธแตกปมเข้ามาพอรู้ความโกรธตอนนี้ความโกรธไม่ครอบงำเพราะเรารู้ตัวว่าโกรธพอโกรธอุ้ยพอโกรธใ่ขึ้นมันก็จะไม่ออกไปทางกายองอัตราแต่งพอก็คือให้รู้สึกตัวว่าเฮ้ยพอเรารสึกตัวก็โกรง่ายๆป็นบาตนะรู้ตัวโกรธมาได้แต่นี้ลองดูที่เป็นไงสงบไหมเป็นงครัรู้สึกสงบรู้สึกสงบไมเดี๋ยวนี้ลองดูที่ที่ยัไม่ต้องไปทำามสงบ เป็นไงไม่ต้องมีความคิดความเห็นต้องหยุดนะรู้สึกพักรู้จักพักจิตใจพักความรู้สึกไม่ต้องมีความคิดเห็นแต่รู้นะรู้ตัวรู้อะไรก็ได้รู้ได้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยสงบอย่างเนี้เห็นได้ให้หนูต้องดูด้วยนะต้อฟังเฉยเฉยทำไมดู ตอบหลวงพ่อตรงๆเคือถ้าถ้างงๆหรืออะไรถามเลยอย่าเกรงใจหลวงพ่อเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องบอกความรู้สึกตรงๆไปเพาจิตใจเรามีความรู้สึกอยากให้รู้จักที่จริงอน่ยชี้ให้ดูนะถึงไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้จักอันเนี้ยจะได้อ๋อแล้วลองดูที่ว่ารู้อย่างนี้ยดีไหมเราไม่เคยรู้่เขาเราไม่เคยดูอย่างนี้ไม่เคยรู้อย่างนี้แล้วมารู้อย่างนี้กะ ชีวิตประจำมันเราไม่เคยดูเราไม่เคยรู้อย่างนี้เราจะต่างกันไหมอย่างไรจะมีจะมีประโยชน์ไหม <c oughs> อ่าอันนี้ใช่ไหมยังไงสงบไหมจิตใจดีถ้าสงบจิตใจก็ดี้าใจเราดีหมายถึงใจดีกายก็ดีแล้วก็อยู่กับความดีนดั่นเองถ้าเราอย่าลืมมันนี่อ่าเนี่ยเลี้ยงต้องซื้อหนังอยู่จะทําอะไรกิเเนเคี้ยนแล้วล่ะกายก็ดีใจก็ดีแล้วก็มีความสุขอยู่กับกายกับใจ จิตใจก็ไม่เพลนินภาพนันก็ไม่ดิน้นรนนะมันก็มีความสุขนะแล้วคนเราไม่รู้ตัวเนะแล้วเรียกไม่มีสติไม่รู้ตัวจิตใจมันจะคิดไป ฟ, ฟาหาความสุขนยมันทุกขนะนะนะ์ใช่ไหมใชมดิ้นรนไปเรื่อยๆนั่นะแหละเรีย ก, กไม่มีสมาธิใช่ไหมหรือสมาธิสั้นนั่งอะไรไมง่งุดหงิดมันลําคาญใช่ไหมมันเบือ่อมันเซนอย่างเนี้ย ถ้ารู้นี่มันจะไม่เบื่อไม่เส่งเตือนี้เตือตอยู่เรื่อยค่เตือนปเนหว่เขาจหนะจะเตือ น, น, นตัวนี่สำคัญใช่ไหมอ่าก็สงบด้วยทำไมเตือนเตือนโตแบบรู้เนื้อรู้ตัวเตือนเดินตั ว, แบบตตวอย่างไงจใจใจงดกินไหมเคยงดกินไหมเ ค, เคยลาคาญนะ<ค>ตอนนี้ถ้ารู้ตัวอย่างนี้ ไม่ต้องงุดหงิดรำคาญแม้แต่รู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกอย่นี้เราจะควบค่มได้ครับนี่ขับปุ๊บสักเราเคยหงุดหงิดรำคาญเพราเราไม่รู้จักนตอนนี้พอเราดูเนี่ยรู้จักแล้วเคยหงุดหงิดตอนนี้ไม่ต้องหงุดงิดได้นะไม่ต้องรำคาญได้นะอยู่กับเพื่อนผงาอาจจะไม่แย้แล้วอาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูไม่เข้าไม่เข้าตาเฉยๆเฉยต่อที่เขาพูดกับเราเอเขาพูดไม่ดีเลย เฉยได้นะฟังดูที่ดูใจใจเฉยต่อที่เขาพูดไดีหรือก็มาแกล้งกันแกล้งแล้วอืเฉยได้แล้วไม่ตอบโต้ไม่โต้ตอบสำคัญนะาำคัญนะนะนะว่าดีไหมมันได้อยู่แล้วว่าได้นะได้ใช่ไหมพอรู้สึกตัวเดียวทําได้แล้วไม่เคยทํำ แล้วเราไม่เคยคิดอย่างนี้มันก็หงุนงิดล้มคานอยู่นั่นแหละก็เรี่ยวชดชนะ <c oughs> ใช้กรรมอยู่เลยแล้วใช่ปะใช่ครับเากรรมแล้วก็ชดใช้กรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมเราเคยหงุนงิดล้มคาญแล้วเราไม่รู้จักแก้มันก็งุนงิดล้มคานอยู่เรื่อยนั่นแหละก็เป็นการชดใช้อยู่นั้นไม่ ม, มีที่สิ้นสุดเลยแล้วเบื่อไหมนะ <c oughs> จำเจส๊ยจำซากเดี๋ยวมงุนงิดเดี๋ยวมัล้มคานเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเบื่อไหมแล้วไม่ต้องหงุนงิดไม่ต้องล้มคาญนี่ดีกว่าไหมนะ อแม้แต่ตัวเองมึงข้างบางทีจิตใจอาจจะสบายมากไปสบายมากบางทีเราก็เป็นทุกข์อะไรเนี่ยเน้ะแต่อนนี้เราไม่ต้องทุกข์กับมานคนไม่รู้จะทุกข์อ่าเนี่ยนะเราไม่รู้สึกตัวเพราบความทุกข์มันเลยมันเผาไม่ตัวเองนะเวลาทุกข์ปักแล้วเกิดทุแล้วมันเผาไม่ตัวเองความทุกข์น้อยตัวเองแต่ถ้ารู้สึกตัวความทุกข์ก็มารู้สึกตัวอ้าวเราก็จะรู้จักคงว่าไม่ต้องเราก็ต้องมองเห็นว่าเออ มันทุกไหมล่ะทุกหรืออย่างเราไม่ต้องทุกได้ไหมดูเฉยเฉยได้ไหมเราเฉยต่อกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างีสุดยอดยิง่งสุดยอดอรทีสักความโศกความลำรายลำพันความไม่สบายกายความให้สบายใจความคับแค้นใจคนเราไม่รู้ธรรมะม่นทุกเท่นั้นแหะทุกันสิ่งเหล่านี้ทุกไห ม, บบไหมว่าบำบัดศพกั บ, บประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นไงเป็นทุ ก, ก็เป็นสุดถูก ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจเป็นไงพลาดพาดแล้วเป็นทุกข์เป็นสุขนะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั่นนั่นทุกข์อีกถ้าไม่รู้นะตอนนี้เราพอมารู้ตัวนี้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่แหละคําสอนพระเจ้าหมายถึงบอกเราเนะ่ยเราให้เรารู้จากอย่างนี้ต่อไปเราไม่ต้องทุกข์กับมัน นี่ไม่ยากเลยอย่างถ้ามีสติรู้ตัวเนี่ยไปทุกข์ให้โง่เหรอใช่ไหมใช่ไหมแล้วอย่างไงฉลาดอย่างไรโง่ถ้าไม่รู้จักอย่างนี้เรียกโง่นั่นแหละอรุลอรุณเนี่ยประชาระแต่ไม่ฉลาดเอาป้ายเปลี่ยนเขาไม่ใช่นะเห็นไหมฉลาดรู้จักควบคุมอารมณ์ใหญเสียความรู้สึกใครเนี่ยใครยังมาเตะชินดินทาใครยังมาชมใครยังมาเตะเฉยได้ เราเคยได้เราจะเห็นว่าเนี่ยเราทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทาไม่ได้เนี่ยโอ้โหยอดมนุษย์เลยเนี่ยฮะดีป่ะนี่นะนาทำาำตามดีไป่ทำที่ไหนก็ ท, ทําในตัวเราเนี่ยนี่แหละทำตามดีแหละ่ต้องเสียอะไรไหมไม่ต้องเสียมีแต่ได้เลย ไ, ได้ความสุขอ่ะถ้าเราทําได้เราจะภูมิใจเราจะพอใจโอ้เราขอเราเคยทุกข์เราเคยหงุนงงําคาบตอนนี้เราไม่งุนงงํากาบมากเลยชีวิตนี่มันมีค่ามีราคานะ่ะใช่ปะ่ะ นี่แหละียกว่าเกิดมาทําไมเขาจอย่างเกิดมาให้รู้จักอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักอย่างนี้แล้วเกิดมาทําไมอะใช่ไม่มเกิดมาแล้วก็สนุกไปวันๆเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างนี้ทุกข์ <laughs> กมันมีประโยชน์อะไรไม่มีค่ามีราคาอะไรเล ย, เลยใช่ไหอแล้วลลอย่างไรมีความหมายกว่าเนี้นะนี่อย่างนี้หนูไม่ต้องเชื่อใครเลยนะหลวงพ่อชี้ให้ดูหนูก็รู้ได้แล้วจริงปะรู้ได้เองใช่ไหมรู้ได้ใช่ไหม เนี่ยเลยพุทธเจ้าถึงไม่ต้องเชื่อใครเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ต้องเชื่อนี่ชี้ดูเท่านั้นเองไม่ได้สอนนะนะครับเนี่ยไม่ได้สอนนะชี้ให้ดูนะ่ะครับสอนบอกให้ทําอย่างนั้นทางนี้ไม่ได้บอกนะทำให้ดีๆนะนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าไ่เห็นสภาว ะ, ะเราไี่ได้รู้จักชีวิตของเราจะได้รู้จักว่าใช้ชีวิตยังไงถึงจะไม่มีทุกข์ต้องการนะ บางทีเราเราต้องการอยู่เย็นเป็นสุขบางทีเราก็ไปอธิษฐานไหวพระไหวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานขออยู่เย็นเป็นสุขนะเออเนี่ยอยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้อจากชีวิตมันไม่มีทุกข์ก็อยู่เย็นเป็นสุขก็สินะพอให้มนุษเสื่ความทุ่ง์มันเข้ามาหาเรามันถุกป้องกันด้วยความมีสติเรารู้ยากควบคุมอะเรารู้จักนี่แล้วเรื่องอะไรจะให้ทุกข์อะทุกข์ไอ้โง่ใช่ปะค่ะ เนี่ยเด็กๆนี่ยังอายุยังน้อยเนี่ยมันจะเรายังไม่มีอะไรสะสมยังมียังมีถูกย้อมอย่างน้อยนะ ค, คถ้าเราจิตใจแล้วไม่ไปจิตไม่ไปยึดอะไรเราจการปฏิบัติจะง่ายขึ้นครับนะเนี่ครับคือก็เลย ม, มันยังง่ายขึ้นผมพาเข้าวัดตั้งแต่เสียห้าขวบ<ช>ครับค้บแล้วคนถ้าไม่ศึกษาตั้งเด็กๆพอแก่ัวแล้วนี่เหมือนไม้แก่มันดักยากแล้วมันชิน่ะนะ เหมือ น, นเราเคยโกรธตอนนี้ไม่โกรธไม่ได้มันทนไม่อยู่ไหวอ่ะเจ๊ะไหมตอนนี้ก็ไม่อยากโกรธแต่ว่าเราเกิดอารมณ์แล้วมันมันจะสู้อารมณ์ น, นั้นไม่ได้นะตอนนี้เราทะเลาะหักนี่เรายังไม่เคยมีอารมณ์ยังน้อยยังอ่อนคเจ๊ะไหเราก็อย่าระ ง, งับได้แล้วก็จะควบคุมได้อารมณ์มันจะไม่รุนแรง อันนี้คนเราไม่รู้มีอะไรก็โกรธมีอะไรก็โกรธมีอะไรก็ลมเสียเนี่ยมันจะสะสมที่หลังมันจะมากเข้ามากเข้ามาเข้ามันจะเป็นมากๆไม่ไดแก้ไม่ได้แก้ยากครับก็เป็นโรคประสาทไปใช่เลยไปนะเนี่ยทุกอย่างะเราต้องหัดต้องพัฒนาว่างั้นเนี่ยอย่าคว่าภาวนาเคยยินนะมครับว่าไปปฏิบัติธรรมก็แปลว่าไปทํำภาวนาใช่ไอมก็คือพัฒนานี่ให้เรารู้จักตัวนี้ ขอโลยอย่างนี้แล้ว เ, ออเราจะได้พัฒนาชีวิตยังไงมันมีค่ามีราคานะถ้าชีวิตถึงนี้มีความสุขเราก็ต้องรู้เหตุรู้ผลนี่นใช่ไหมเหตุอย่างไรทําเหตุอย่างไงเป็นทุกข์เป็ น, เ ป, นเป็นสุขยังไงถ้าเราได้ดูได้ได้สุดทายนนะก ร, รมแปลว่าการทำกรรมแล้วก็ผลของกรรม <c oughs> มันลำบาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันมีผลอ่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไนะ <c oughs> อือเนะี่ยเหมือนอย่างนี้ เจ็บแม่เจ็บใช่ปะถ้าหลีกไปเข็ไม่จะมีเจ็บที่ไหนใช่ไหมครับอันนี้เปรียบเทียบตัวอย่างนะแช่นะเรื่องนี้ก็อยู่ที่เราทางกายทางใจเนี่ยบางทีก็ถูกมองข้ามมาเรื่องเนี้นะเขาได้ศึกษาเรื่องนี้แม่อย่างเนี้เป็นไงวันนี้ลอฟังแล้วเข้าใจอะไรบ้างไหมคับครับได้ ได้ประโยชน์นะกบเป็นประโยชน์ไหมอันนี้ได้ฟังเยอะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองไหมเนี่ยสงสัยไหมครับสงสัยไหมไม่สงสัยนะครับโอเคนะอย่าสงสัยไม่สงสัยอย่ากระซาคือต้องให้เห็นประโยชน์อันนี้ยไม่ใช่ฟังไปเฉยๆฟังเรื่องดูเนี่ยชี้ให้ดูแล้วจะเกี่ยวเทียบกับชีวิตของเราเป็นยังไงใช่ไหม ในเราเราลุกจะแก้ไขไม่ใช่ในเป็นทุกข์แล้วคนเรานี่ต้องการทุกข์ก็ต้องการสุขอะนั่นน่ะไปรังุ่งมีดรังคาเป็นทุกข์ก็เป็นสุขฮะการสุข <c oughs> <c oughs> เราเสียความรู้สึกน่ะเป็นไงเป็นทุกข์เป็นสุขทีนี้ถ้าเราดูความรู้สึกอยห้มันเสียความรู้สึกทีนี้กระจกใช่ปะ ไม่มีทุกข์เลยถึงหลวงพ่อทรกข์สองขาดยัยไหมัเสียตามรู้สึกย่อที่สุดเลยภาวนาสู้ลูกไม่ได้ผมน่ะติดใจค่อยเลื่องสายอยู่อ่าก็ดีครนะัพออ่อยังไม่เคยมีภาระมีอะไรเพราะเราจะต้องโตเพื่อได้เรื่อต่อไปแล้วก็ต้องเผชิญกับอะไรมากๆนี่เราก็หมายถึงก็เป็นการสร้างโภมโภมกันให้เรารู้อย่างนี้นะได้ดูตัวเองได้เองให้มันมีปัญญาให้มันโอ้เห็นชีวิตของมันมันก็เหมือนกับเป็น มีภูมคุ้มกันนะเนี่ยเหมืออย่างทั้งโลกเนี่ยมีโรคอะไรก็จะไปฉีดยาป้องกันไว้ก่อนนันเนี่ยใช่ไหอใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่ต้องไปเจ็ดตัวด้วยใช่ไหมอันนี้ภูมิกันดีว่าอะไรสารพัดลถ้าจิตใจเราดีไม่เสียความรู้สึกโลภัยไข้เจ็บก็จะไม่เป็นอะไรหรือเครียดนั่นเองเสียความรู้สึกก็เรียกว่าเครียดไม่สบายใจนั่นเรียกว่าเครียดแล้วใช่ไหม งดงิดฟุ้งซ่านรำคาญเนี่ยน่ามันจะทำใอ้เกิดโรคได้ง่ายครับนะถ้าเราจิตใจเราไม่ค่อยสบายกายสบายใจอยู่เรื่อยเรื่อยลมก็เดินดีถึงจะเป็นอะไรก็หายน่ายและสถึงหนึ่งทีก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะว่าคนงดหงิดงดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรพวกเนี้ยบางทีก็จะเป็น โรคแพ้อากาศได้ง่ายหรือโรคอะไรก็ออได้ต่างๆจะตามมาเยอะแยะครับโรคเครียดเนี่ย<ล><ล>นะเ น, นี่ยเราไปศึกษาดูก็แล้วกันนะเมือม่อเมื่อสามปีที่แล้วที่ผมไปเจอตอนที่ที่ผมที่ไปตรวจแล้วเจอเนี่ยโนเล่ก็ น, นี่แหละบางทีก็เนี้ยเนี่ยเุาคนพูดเนี่ยผมว่า น, น่าจะมีงานระลับภาระมากกว่านี้นเกิดใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็ทําให้เกิดเป็นพิษตับมันก็เลย ตับนี่มันก็เหมือนได้เทศบาลขนขยายรถขนขยะใช่ไหมอันนี้มันพิษมันเยอะขนออกไม่ทันครัใช่ไหมตับพังเลยใช่ป่ะใช่เนี่ยแต่ก็ดีใจนะที่ได้เจอเพราะมันทำให้เรามาทางนี้มาเห็นธรรมแล้วูกต้องเลยน่าศึกษาจริงเพราชีวิตของเราว่าเป็นอยู่ได้เรียนรู้ชีวิตควรจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะมีค่ามีราคาถึงอย่างได้ดูตาหู ไวใช่ไหมชีวิตแต่จะบอดเอาแน่นอนเลยแหละสมองมันจะโป่งนะเนะดี๋ยวนี้หนูดูที่อโปง่งโลกนะตื่นเนื้อตื่นตัวมันกระปีกระเพ่านะไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนายเดมาอย่างนีนะ้แล้วถ้าปล่อยมันสลึมสลือเบอเบอซึมๆึมเนี่ยเขาถามอย่างนี้ อ, าาน <laughs> อันนี้ถ้าเรารู้จักจก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นสิใช่ไหม เนี่ยเรารู้ได้ใครๆก็สั่นหัวแต่นี้เราคนเราไม่รู้จักทันไม่รู้จักแก้ไม่รู้จักป้องกันทันใช่ไหมรู้เท่ารู้ทันรู้ทันรู้แก้คือดูให้รู้จักนะใช่ไหมเรารู้จักแล้วก็เออมีอะไรเราเยอะรู้เท่ารู้ทันมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ออถึงบางทีบางครั้งไม่ทันเราก็อย่ารู้จักแก้รู้จักการได้รู้จักเราก็ย่ารู้จักการรู้จักแก้ได้ทุกอย่างเนี่ยชีวิตเราก็ปอดภั อดี๋ให้พ่อช่วยสอนตอนให้ลู้ขา้อจาักความหลงนะว่าไอตัวหลงนี่เป็นไงพ่อช่วยเน้นเนนะเยคยเขารู้จักคว่าหลงไหมรู้จักหลงมาจังรู้คําว่าหลงไหมหลงทางธรรมกับหลงทางโลกกันนะเดี๋ยวให้พ่อเน้นนิดหนึ่งว่าเอไอคําว่าหลงเนี่ยภาษาทางธรรมเนี่ยคืออะไรที่ เมื่อยเออเนื่ยก็เปียนเอ่ขยันนั่นะก็ดูสินะพอเราปวดเมื่อยนิ้อเนื้อขยันนี่แหละใช่ป่ะเนี่ยก็ถึงวเนี่ยมันบอกเนี่ยาเออขยัั่งง่ก็พอเรานั่งนานแล้วก็นะไม่กดหน็ลำคานนะอ่าอแล้วเราก็แก้ไขมันสบายไ้ย็นเนื้อเตัวมันสบายไว้เนี่ยเราก็รู้กายรู้ใจมันรู้ได้เน่ะทีร่รู้ได้นะเราเรียกว่าไม่หลงอะเท่เยวไม่ใช่ใช่ เนี่ยที่เรารู้ตัวเนี่ยรู้จักแก้ไขเนี่ยมันปวดเมื่อขยับนิดหน่อยและวเด็กมันจะไม่เป็นเป็นเด็กเนียนะเออเนี่ยมันจะไม่เป็นเลยใช่ไหมถ้าเรารู้ตัวก่อนจะขอยงเป็นมันจะช้านะอ่าเพราะพ่อไม่มีทางเป็นอ่เด็กไม่มีทางได้เป็นรู้ตัวปุ๊บก็ขยับทันก็ไม่เป็นก็มันจะต้องเริ่มก่อนนะมันต้องมีอาการก่อนเราก็เห็นอาการมันผิดปกติอ่ะใช่ไหม ถ้าขยับนิดก็หายแล้วนะหรือปวดเมื่อย่างทีรู้จักคี้คายขยับเนื้อขยับตัวนะหายปวดเมื่อยรู้จักขี้คายอ่ะได้ใช่ไหมไา้ไปไงไปไงไม่ปวดเมื่อยเลยไปไงเห็นความรู้สึกสงบไม่สงบอย่างนี้รู้อยู่ตาดูเลยยังเห็นความรู้สึกอยู่รู้ไหมรู้ความรู้สึกว่าไปไงมีความรู้สึกไงเราเห็นอะ นั่นแหละดีอย่า น, นี้ยถ้าธรรมดาเราดูอะไรเราเพ้อไปเร า, เาคิดวิพากวิจารในเราไม่เห็นตัวเองนั่นแหละเรียกว่าหลงอ่ะ น, น, นะนั่นแหละเรียกว่าไม่มีสติละเรียกว่าขาดสติละเรียกว่ามีสติก็เรียกว่าไม่หลงอันเดียวกันนะนะหรือ <c oughs> เรียกว่าเป็นวิชาเห็นความรูม้เรารู้ตัวอาวิชาหรือพูดอย่างหยาบๆก็เรียกว่าโง่เขา <c oughs> นะ อะ้รอย่างนี้เราดูอะไรเรารู้สึกตัวอยู่ถูกแล้วก็จะมีความสุขด้วยดีนี้นะสบายอยู่ร่างกายสบายแล้วจะดูอเราจะเดินเราจะไปไหนมาไหนเรารู้สึกตัวเดินไงถึงจะเบาแค่เบาขาเบาเนื้อเบาตัวดีสบายเนื้อสบายตัวดีจิตใจก็อดโป่งเบาเนยพอรู้ตัวมันจะเบาไม่เก่งเนื้อเก่งตัวไม่อ่านในการสังเกตที่ดีๆเบาไหมน่ะ เคยดูอย่างนี้ไหมเคยรู้อย่างนี้ไหมไม่เคยใช่ไหมพเห็นได้เนี่ยอย่างลืมเป็นประโยชน์ไหแล้วไปอยู่กับอะไรก็ได้อชะไหมถ้าเรารู้อย่างเนี้ยมันแล้วมันฉลาดเนี่ยฉลาดขึ้นใช่ไหมโอ้โหนี้มันก็ไม่เครียดมันก็ไม่เบื่อไม่เซ็นทําการทํางานมันจะได้คานได้งานด้วยนะแล้วมันจะไม่เบื่อไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนาย จะมีความสุขอยู่กับค้ากับนางเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมอ่า <laughs> <laughs> แล้วก็ดูค้ารู้สึกเราบางที่เราต้องเรดินเสียโคอธิบายอะไรแต่อะไรหรือชีช้แจงให้เราดูที่เราตั้งใจฟังไหมบางที โ, พ โ, พโคพูดอะไรแล้วใจเราไปคลื่นหรืออะไรบางที่เราก็ไม่รู้เลยอ่ะลงในชะ่หลงอ่ะหลคิดต้องดูตัวเองว่ากำลังรู้สึกอย่างไรนะ เดี๋ยวนี้กาลังทําหน้าที่อะไรเห็นการกระทําของตัวเองเนี่ยหรื อ, จจรอดูพฤติกรรมของตัวเองน็ได้ปัจจุ บ, บนันเนี่ ย, ดยดเดี๋ยวนี้นะดูที่เดี๋ยวนี้ฮะน้องพค์จะบอกว่าเขาเขาเป็นคนชอบความสนุกนะตอนที่มานะบอกว่าชอบความสนุกบอกว่าอยู่บ้านคนเยอะๆไม่อยากอยู่มาอยู่ความสนุกอันนี้อย่าไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบในตก็เป็นทุกข์ จิตใจเราก็ไม่แั่นแล้วตอนนี้เราก็ปับให้อยู่กับอะไรได้เออได้บุญมูให้ก็อยู่ก็ได้มันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ก็ไม่ต้องไปเลือกแล้วเราเลือกบางครั้งก็เรียงไม่ได้อย่างบ้านเนี่ยแถวนั้นไม่สงบแล้วเราไปหาความสงบที่ไหนอ่ะขะนั้นเราก็ต้องปรับสงบก็อยู่ที่จิตใจเดี๋ยวนี้สงบมากใจเราก็เฉยล้วก็รูเฉยเฉยอยู่บ้านเราก็ทำใจอย่างนี้เ ใครมันได้แรงเต้นค้างให้เราก็ดูเฉยๆใช่ไหมเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไม่ต้องมีตำหนิติเตียนใครไม่ต้องไปวิปรบหลูดูถูกใครใจแล้วก็สบายเราเห็นต า, าเราไม่ดูเราไม่เฉยมากคนนั้นเป็นคนนี้เป็นวุ่นใจวุ่นแหละคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น น, นะความนะคนส่วนใหญ่เป็น นี่กลุ่มองแล้วก็กลุงมองแล้วก็กุ่มองแล้วคิดมองแล้วคิดหลวงพ่อก็เป็นมะก่อนสมัยก่อนเทีนอะไรเราจะอดวิพาปิจาร์คนนี้ถูกตาเราแล้วเออคนนี้สวยคนนี้ทำไม่ดีไม่แหมคนนี้เกลียดเกลียดที่หน้าเลยคนนี้ก็โดนหมดเเป็นเป็นเกลียดที่หน้าเลยไม่อยากคบค้าด้วยเลยนะแต่เดี๋ยวนี้อยู่คนบ้าก็ได้คนเมาก็ได้ช่ไมไม่เคเกลียดใครอ่ะใช่ไหมเพรเรารู้ตัวนั่นเองได้ไหม เขาไม่รู้ตัวมันก็คิดนึก ป, ปูงอย่างไปเรื่อยๆทุเป็นสุกใช่ไหสแต่นี่โคนนะแันนี่รู้จัก <c oughs> ออันี่รับยังไงให้มันคมเกินทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอะไร <c oughs> ก็ไม่ขัดแย้งกับอะไร <c oughs> ดีป่ะอันนี้สำคัญ แล้เนี่ยกำลังเรียนอยู่ต่อไปเดี๋ยวพอจบมาถ้าไม่รู้จักอย่างนี้แล้วพอไปอยู่อะไรอ้นบุญบายไม่อยู่ไม่ได้ลาออกเดี๋ยวไปหางานหาใหม่ก็อยู่ที่ไหนก็บุญบายนั่นแหละถามพ่อยเลยนี่รับไหมเนีรียบร้อยไหมที่ทํางานครับใช่ไหมแล้วมันคนเหมือนสาวลพัดใช่ไหมใครอยากลองเข้านาับบนี้เดี๋ยวเออรู้จักตรงไม่รู้อ๋อเดี๋ยวอี้ไปที่ศาลาที่เนี่ยนะ ตรนีไปเดินเดินทัวร์รถช่วงนี้ไปแล้วก็เดินตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่แต่พาสองคนก็ได้เดี๋ยวกับเลยดีจงเีมีอะไรก็ต้องบอกนะมีความไม่สบายตัวก็ต้องรีบบอกอย่าไปอย่าไปปิดบังอย่าไปนั่งก็ดีใจฮะที่พาลูกๆมาน่าบางทีนี่แหละบางทีมาวาดถึงก็บอกผมก็ไม่เข้าใจมาวาดมาทำไม ได้เวลาแบบคนที่เสพส่งเหานไม่ได้ถามาง่าลงเน่นั่งนานไม่ได้ก็มาไม่กี่วันดีครับเนี่ยตาเป็นมาเร็งมาก็ไม่เคยจลงเนี่ยมาอยู่นี่ปีการนี้ปีกว่าแล้ก็ได้เวลานั่งนี่จะสบายกว่าที่บ้านเคยมีเก้าอี้งนี้นะนี่คือนี่สมัยแบบ เมื่อสี่ห้าสิบปีแล้วสมัยก่อนแต่นี้ของคุณจิเดี๋ยนี้ไม่มีแล้วผมเป็นคนขายหลําพ่อพ่อเป็นช่างต่อเรือแล้วก็ทําอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เนี่ยผมผมก็จิ๋วขายหลําเหรอเป็นขายหลังมีตาจิ๋อก็เคยอยู่ขายหลําลุงพ่อก็เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ทำด้านวะพ่อเป็น ช่องต่อเรือไอเรือเรือไม่สับไม่สับที่คนข้าวข้าวอยู่ริมแม่น้ําตรีริมพระขนมอก็พอมารู้เนี่ยเสดานจังที่ช่านจากไปก่อนไม่งั้นคงได้ได้อธิบายทิ้งฟังทิ้งคํามาแต่ก็ดูแลท่านมาตลอดดูแลเดเล็กเดดูแลมาตลอดแล้วก็เลยเริ่มศึกษาชีวิตแล้วก็ชอบชอบอยู่กับผู้ใหญ่ของ เจอกับพี่อยากจะเข้าไปแล้วดูแลท่านดูแลท่านศึกษาอย่างเล็กๆชอบชอบช่วยเหลือคนพ่อก็อยู่ไทยล้ำมานานอก็ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ไปหัดเขาไหนหลังอยู่ไทยล้ำมาาหลายปีเลยเดก็ทาเรือเก่งทำยี้ทาโต๊ะอะไรเก่งไทลนี่ต่อเรือเก่งต่อเรือทำเฟอร์นิเจอร์ข้างม้าเนี่ีล้าจะเก่ง ทานลงเรื่อยนี่เพอาหายหลังนี่ทำเยอะค่ะ <laughs> นี่ก็เนี่ยตัวเองก็ทุกน้อยลงแล้วก็บอกที่บ้านว่าเถ้าหมดภาระ ก, ก็จะเข้าวัดแต่ว่าภรรยาก็บอกว่าคงยิงไม่ได้หรอกที่จริงพาหมายกันเข้าวัดก็เหมือนเนี่ยพอมา <laughs> เพื่อมาเข้ามาเรียนรู้มาศึกษารู้อะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแค่ แต่วัดนี่ก็หมายถึงว่าเป็นที่นั่นเออาบางครั้งเราลบเป็นที่หลีกเล่นหรือหลีกเล่นอะไรบา้างนะฮะครับอ่าเพราะว่าเพราะจิตใจเรายัางไม่นั่นเราก็ต้องอาศัยสถานที่อามานี่มันจะไม่เหมือนข้างนอกครันะอถ้ า, ถามาในวัดในวัดมันจะบรรยากาศมันับนี่มันก็จะช่วยให้จิตใจเราเห็นดูตัวเองได้ง่ายขึ้นครับ ก็ตอนนี้ถ้าช่วยได้เยอะคะับพอพอเข้าไปทำงานตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ได้แล้วก็นี่เราไม่ต้องหนีแก็ไม่ต้องสู้ไม่ต้องหนีวไม่สู้ใช่เนี่ยโดยจิตใจแล้วไม่ต้องหนีแต่ก็ไม่ใช่ต้องสู้ใด่ครับท่กศมาต้องสูไเ <c oughs> ไม่ต้องสู้ <c oughs> หรือต้องอดทนอะไรนี้แล้วก็อดได้เรทนได้อ่ะมีน้ำอดน้ำทนนะครับนั่นแเราต้องอดเราต้องทนนี่ทอมา เฉยๆเราเฉยได้น่ะเร็วกว่าน่ะหันไบทนได้ทนได้อ่ะแต่ยังไม่ได้ก็หันก็อย่างที่ทำอยู่คือว่าแต่นี้เนี่ยความรู้สึกนิคิดเนี่ยเราเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไรที่เข้ามาเราเห็นอะไรที่รู้เนี่ยเราเห็นเป็นเราเห็นสักแต่พอรู้มารู้มาแล้วหรือรู้ว่าหรือเขาเข้ามายุ่งแล้วเกิดดับไปดดับไป ก็จริงอย่าที่พุทธเจ้าแล้วมันก็เบาขก็ปรงแต่งเราก็อยู่กับความปรุงแต่งนั้นแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ผ่านไปผ่านไปครันะแต่ว่าเรามีธรรมะรู้จักธรรมชาติแล้วก็ปรุงแต่งในทางที่เป็นไปเพื่อไม่ไม่เกิดไม่เกิดภัยเกิดโทษแต่ก่อนโดจมเลยคือไปไหนมาไหนเนี้ยพอที่เป็นเทียนฮะพอรู้สึกปวดตรงนี้ปั๊บมันก็คิดว่ามันเป็นมะเร็งมันปรุงไปขนาดนั้นมัตายแล้วแยาแนเราต้องตายนี่แหละนี่แหละ ถ้าไม่เกิดความกลัวตายเห็ความกลัวตายที่มันอะไรบเนี่ยมันจะเสียมันจะเสียกําลังใจใช่ใช่ตอนนี้ภูมิต้านทานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีใช่ฉนหลวงพอไม่ค่อยเป็นเนี่ยะท่านภูมิต้านทานมาถึงดีก็ตามแต่มันย่งแปลเนี่ฮะนี่เป็นแล้วเนี่ยเป็นเนี่ยไปบอกใครเนี่ไม่บอกเข้าไมชางให้รู้เหรอข่าวจริงแล้วก็ยังมีความสุขใช่ฮะตอนนี้ตอนหลังมันนี่พอให้กีโมนี่มันกีโมเข้าไปเนี่ยเผาผ่านนะผมว่าไม่ทราบผมว่าไม่ดีนะ ดีนะมากมันต้อโการมันก็ต้องอาศัยอ่ะต้องใส่ไหมใช่เรียนไม่ได้บางคนถ้าพลังคือถ้าไม่เข้าใจจิตตกนี่ผตว่าไปเลยนะใช่ไปเลยถ้าไปอาศัยเหมือ น, นหาบางครั้งคนก็หายทีหลวพอ่อะว่หายเพราลองมาละหลายสามสี่เดือนทีแรกก็ไม่ได้ให้สามสี่เดือนแล้นถึงจะให้อ๋อเหรอครหมอเขาเยืนั่นแล้วเขาคิดว่าไม่ยอมให้เขาให้อต่นี่หมอคนแรกอย่างเราเล่าให้ฟังว่า เขาก็บอกไม่ต้องทำอะไรเราก็พอใจเพราะเราไม่ต้องการให้ให้อีกแล้วอก็อยากต้องการรู้ว่าเป็นอะไรแค่นั้นพอแล้วก็จะใช้สังข์ทิใครแล้วเราก็รู้ทางจิดใจว่าเราไม่เครียดเรไม่อะไรนะเราก็จะดูไปก็อยากจะศึกษาด้วยว่าที่เขาเรยกนี่มาเร็งนี่มันก็เกิดจากความเครียดครับแต่ที่มาเป็นนี้มันไม่ได้เครียดนะเพราะก่อนนี้มั่นใจตัวเองว่าชาตินี้ไม่มีทางเป็นมาเร็งนะคคครรรััับบบเพราะคนที่เครียดนี่จะเป็นมาเร็งนง่ครับครับคือพลาดลมเลย ถู <ผม S 1> กต้องจะเกิดจากความเครียดเนี่ยส่วนใหญ่เลยครับนะค่นี้เราามเตือนเนื่อเตืนตัวแล้ไม่ไปไไหนเดินแล้วนนะไอ้เบื่อไม่เซงมันมีชีวิตชีวานะครัมพอมันเตือนตัวแล้วมันมีชีวิตชีวาไม่เฉลึมเะลย ไม่เอือดอที่เอืดอยากเชยชาโดนโดนพอดีเลยโดนก็นดีนั่นพ่เพราะอะไรลูกเนี่ยไม่รู้ตัวคือคือแต่ว่าไอความไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันมันซับซ้อนไม่รู้ว่าขี่ไม่รู้อ่ะ ใช่ไหมเดี๋ยวเดีด๋ยวจะพาลูกสาวเลยนะคนนี้เนี่ยอาบน้ำํำ4ชั่วโมงแต่เขาโหแวผมว่าเขาดีนะเขาอาบน้าแล้วเขมีสติอาบไปเรื่อยเลยชั่วโมงหนึงกินข้าวทีคืนชั่วโมงพ่อ <c oughs> ดีนะผมว่าดีนะแต่ที่บ้านเขาแม่เขาจะแม่เขาจะูเล่นผบอกว่าตัวเองทุกข์นะคนนี้ไม่ทุกข์เลยนะเขอาอาบน้ําชั่วโมงเรื่อยใครว่าอะไรใช่เขาใช่นี่ แต่บางทีนบางทีเย็นยะมันเย็นเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเย็นเย็นเย็นชาเย็นเฉยชาไปเลยใช่ไหมบางครั้งมันก็ต้องเร่งรัดเมือ่อางารงานะแต่ว่าอย่างงานย้ายมันร้อนดูอารมณ์ของเราย้ายร้อนใช่ไหมบางทีถ้าต่อไปเราต้องอยู่อะไรเนี่เราจะทําชาอะไรมันไม่ได้มันต้องสังคมใช่ไหมแต่เร็วไม่ใช่อืมไม่เสียก็เว่วจิตใจมันไม่ร้อนอช่ไหม อ่าเร็วก็เร็วอย่างมีความสุขเร็วแบบรู้นี่รู้ตัวนะอืมเนี่ยสําคัญเลยชีวิตต้องดูอย่างไงถึงมีคุณภาพกันนี่นะชีวิตคนรู้เนี่ยยัยงไงเราก็ดกูจิตใจดกูการกระทําของเรามีคุณภาพไหมใช่ไหมต้องการนะต้องการให้มีคุณภาพดี <c oughs> เออใช่ไหมหรือประสิทธิภาพของชีวิตใช่ไหมอืม หรือสุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยงทีเขนั่งกันนะตอนรลงทีก็ไม่ครรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเรารู้จกัแกแร้ควรรู้จักพัฒนาให้มันะนะแต่หพ่อเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดนี่เนี่ยเนี่ยพูดอย่างนี้ล้าสมัยป่ะฮะล่งสมัยได้ไหม <laughs> อ่อาเนี่ยเมืนเราจะปรับเข้ากัรก็ได้ใช่ป่ะอือ บางที่คนแก่ๆบางครั้งพูดกันเลยเธอแบางทีก็ไม่ใช่ไหมครับอนี่ก็เาตอบมันกเหมือนกันนะเนี่ยพูดแมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันมันจะไม่มีแก่ไม่มีหนุ่มอะไรหรอกใช่ไหมถ้าเรารู้จักนี่แต่ร่างกายก็อาจจะแก่แต่ความรู้มไม่ได้แก่นะอแก่แก่ก็หมายถึงว่าแก่ความรู้ฮะเราเรียนมามากแล้วก็ทําให้เรารู้มาก หรือเหมือนเหมือนมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมันก็ไม่มันยิ่งแก่ก็ยิ่งมันอย่างนี้นใช่ปะเนี่ยมันต้องอย่างงั้นเหมือนกันเนี่ยแจกความรู้ ก, ก็เหมือนแก่อย่างมะพร้าวยิ่งแก่ก็ยิ่งมันฮะต้อให้เป็นอย่างงั้นแล้ว น, นี่ยังพอคนแกพ่พอแก่แล้วหลงห ล, ลงลืมลืมได้หน้าลืมหลังอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีแน่หละนะหลวงพ่อไม่เคยเก่งครับ เคยสังเกตด้อยไม่ใค่ลืมไม่ใค่ลืมอ่ะได้ลืมดเลยนี่มันจะไม่เคยเป็นงมันรู้รู้ตัวมันไม่ได้ไม่ด้เก็บขยะไว้อดนะมันไม่เคยคิดมันมันไม่เคยปรุงไงัใจอ้โหรู้เบาเราไม่ไปจมอยู่กับอะคือรู้ตัวนี่เรารู้อะไรเปลี่นเรารยับนี่ระยับตัวราดูรู้นอกรู้ในเราจะทาอะไรล้วรู้นอกรู้ในยึพันงพ่อสามทารู้สึก หน้าตาผ่องใสเีอะไรเงี้ยมีทุกข์ไหมใช่ปะดูสายตาดูชีวิตเราคนรยังไงเนี่ยเรียกกว่าเิดมาทําไมใช่ไหมเนี่ยตามไม้เนี่มยที่จริงคนเราก็เนี่ยอย่างนี้เรื่องนี้สําคัญเลยเกิดมาก็จะเรียนรู้ชีวิตอย่างนี้แต่นี่มันเป็นทุกข์เป็นสุขยังไงแล้วอยากอยากกลับมาเกิดอย่างนี้ไหม ต้องมาจำเจซ้ำซากถึงจะทําวามดีแล้วอะไรเนี้ยนะก็ต้องมาจำเจซ้ำซากหมดหมุนเวียนอยู่อย่างนี้อ่าแต่นี้เป็นเรื่องที่นั่นอีกหน่อยอย่างเรื่อนี้ยังยังน่เมันยังน่ามันอาจจะลึกซึ้งไปอีกหน่อยนึงเรื่องสังสารวัตรเนี้ยสังสารวัตนี้จํารู้เรียนนี่อ่านนี่ศิธรมัเออแต่เราศึกษาไว้นั่งอ่ะใช่ไหแต่เอาเอาแค่ว่าเราอยู่สังคมยังไงแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วกันมีความสุขกัน แล้วเราต่อไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจใช่ไหมเหมือนอย่างรับสินอยู่นีนศินอยู่ในธรรมสีเลนะสุกติงยันติอย่างพระสรุปใช่ไหมสีเลนะโพคสัส ม, มัทานสีเลนะนิพกติงยันตินะนะเขาถึงขึ้นทานนั่นเองคือใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสุขเใช่ไหมสีนแปลว่าปกตินะนี่ใช่ไหม จิตใจอย่างนี้ถ้ารู้ติวห้าเสียความปกติย้ายเสียความรู้สึกนั่นแหะปกตินั่นแหละเรียกมีศีลมีความปกติถ้าไปรักษาศีลแล้วจิตใจก็ยังรักษาศีลหน้าศีลแบบอยัาให้ผิดศีลนะแต่จิตใจมันผิดปกติเลยนั่นไม่มีศีลเลอ่าอ่อ่าเนี่ยมันไม่มาไปรับก็ได้เนะอย่าไปฆ่าเขาเบียดเบียนเขาเนี่ยนี้ดีไหมเนี่ยผิดปกติแล้ไปลักขโมยเขานี่ก็ผิดปกติแะ ไปโกหกมัดทอดหรือไปผิดอ่าแล้วเมิดในสิทธิของผู้อื่นอะไรนี่ก็ผิดปกติเท่านั้นครับอ่าเดือดน้ำดองของเมาอันี่ก็ผิดปกติท่านเลยเนี่ยสินแต่ว่าผิดปกติไปทําแล้วมันผิดปกติทางด้าเราตัวมันก็ไม่ผิดสินแล้วก็มีสินนะเนี่ยก็อยู่ที่มีสติเนี่ยเตือนนะเตือนเขาเยอะนะยังไงพวกเมื่อไม่เห็นได้มะ้ยพูดถึงเลยมั้ย รู้ทั่วถึงอยู่ได้นะรู้ได้ทั้งตัวใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เคยรู้สึกนี้ไม่ขอเลยรนะรู้สึกวอุงเบาก็เคยหาไม่ไดไม่ได้สังเกตเราไม่สังเกตแล้วเราไม่เจริญเราไม่สะสมอันนั้นแต่นี้พอเห็นนี้โอ้นี่สาคัญอันนี้ถติตัวสาคัญเพราะง้นเราต้องเคยรู้อยู่เรื่อยใช่ไหมพอเรารู้ตัวก็จะมันก็จะมีขึ้น ฮะเนี่ยรู้จักมันก็เป็นความปล่อยความวางนั่นเนี่ยรู้จิตใจจิตใจแล้วไม่อ่านไม่กั้นไม่เก่งเนื้อเก่งตัวมันจะปล่อยจิตใจมันจะโปร่งมันจะเบาจิตมันก็ไม่ไปติดยึดไม่ไปผูกพันไม่ไปเกาะเขียวถ้าเป็นบางทีบางครั้งจิตใจเราไปผูกพันไปเกาะเขียวอะไรอะไรมันจะหนะนะแต่นี้พอนี้จิตใจแล้วปล่อยไม่อ่านไม่กั้นก็เป็นความปล่อยความวางเราไม่ต้องไปบอกไปปล่อยไปวาง มันปล่อยเลยครับเนี่ยนิดเดียวเนี่ยเคล็ดลับอ่ายัดในน่อสมมุติว่าเกิดเราเราเรามีความทุกข์ขึ้นมพอที่พอรู้สึกตัวความเนี้ยความทุกข์มันจะหายไปถ้ารู้ตัวว่าอุ้ที่มัทุกข์ถึงไม่หาถึงไม่จะทุกข์เราก็เห็นมันก็เป็นปรากฏการณ์บางทีเราไปปรงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดูเออมันก็สักเราไปวามรู้สึกกั ฟกดขอ๋อฟัรู้สึกมันไม่สบายกวอย่างนี้อย่างเนี้ยเราก็ดูเรื่อยๆจะเห็นมันก็เป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยมันสบายก็อย่างนี้อย่างเนี้ยอมันสงบก็อย่างนี้อย่างเนี้ยเนี้ยแต่นี้ที่สงบไม่สงบมันก็อยู่ที่ความคิดความคิดเห็นของเราบางครั้งมาเถอไปปูนจังนะเกิดไม่พอใจเทบางหร่มันก็ไม่ค่อยสบายนะใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นอีกเขาเรียกว่ารู้ ถ้าเรารู้เท่ารู้ทัรารู้จักการเด็ดกันไม่ทันเรารู้จักแก้แก้แล้วก็เฉยเฉยแก้แบบไม่ต้องแก้เออเมันไม่สบายเออดีเราก็ดูเฉยเฉยเราอย่าไปทุกข์เรวอย่าไปทุกข์ใช่ไหมอ่าเรือกวเห็นความรู้สึกมันก็สั์ก็เป็นความรู้สึกเป็นความเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอ๋อมีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเป็นเรารู้สึกเนี่ยมันจะทุกข์เนี่ยอย่างนี้พอเรามาเห็นความรู้สึกมันจะเบา ถ้าเรารู้เป็นเรารู้สึกมันจะมาเดี๋ยวเราจะทําอะไรเนี่ยเป็นเราเป็นเรารู้สึกว่าเราต้องทําำนี้่เป็นพอถามรู้สึกกับเรารู้สึกเนี่ยนะคือตอนนี้ผมยังยังยังยังยังคิด ว, ว่าเรารู้สึกแต่นี่แหละอันนี้นสําคัญก็เนี่ยเราเห็ น, นเอง เ, เ, เห็นความรู้สึกเนนียยมัังดูเนี่ยรู้ดด ไ, ได้นี่พ่อเดี๋ยวเนี้ยรู้สึกไงตก็ไี้ พอเห็นพารู้สึกมันจะเบามันจะเป็นพามปล่อยพามวางอย่างนี้เรียกว่าสมารสตินี่ฮะรู้แต่มันชื่อว่าเรารู้วันพาแต่มันยึดอะทงมันยึดถึงมันติดอะมันติดต ม, มันติดแต่รู้แต่นี้เธอเหรู้สึกอ๋อวามรู้สึกสบายก็อย่างนี้อันเนี้ยเห็นความรู้สึกเราอ๋อสบายคืออย่างนี้อันนี้มันไม่สบายอ๋ออย่างนี้อย่างนี้มันบอกมันยึดเราดูเฉยเฉยไม้เรานั่นแหละก็เนี่ยที่เรารู้สึกนั่นแหละเป็นเราเนี่ย มั น, ม น, มนคื อ, อยาคือธรรมดาแทีแรกเร า, าเป็นว่าเรารู้สึกแล้วเราก็ดูทีที่เรารู้สึกอ่ะแล้วความรู้สึกมันเป็นไงนี่เราก็เห็นความรู้สึกนั้นก็พอแอยไม่มีแล้วเราก็เห็นความรู้สึกเท่านั้นแหละเราให้ต้อไปละอะไร อ, ะมมอ่ะนิดเดียวให้หมันคลิกออให้รู้ความรู้สึกเราดูพอเรารู้สึกมันจะปางนะั่นนั่นหนะเนี่ยพาลาฮะเวกันจากขันทาขัานทังน้งงาเป็นของหนักเน้นั่นเราแบกแล้ว เรายึดถือละยึดถือขันห้าเป็นเราเป็นเรารู้สึกสงบเป็นเรารู้สึกไม่สงบแต่เราเห็นความรู้สึกความรู้สึกมันสงบความรู้สึกมันไม่สงบเห็นมันเป็นสภาวะอย่างนี้ก็เป็นภาวะธรรมนี่แหละธรรมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนี่พูดความจริงนะคครรัับบเห็นธรรมะเห็นอย่างนี้นะรู้ธรรมะรู้อย่างนี้นะผมรู้สึกได้เลยครับอื มันก็มีอะไรไม่เห็นความรู้สึกไม่มีอะไรมันจะหยุดหมดเลยมันจะหยุดถ้าเป็เรารู้สึกมันจะปองไปมันรู้อะรู้แต่ว่ามันมันยึดอ่ะครับอล้นี้มันจะเป็นความปองครับทันที่ว่าเราไปดูความรู้สึกเราดูไม่อั้นที่เราดูกายกายก็ไม่เกินเนื้อเกร็งตัวความรู้สึกมันไม่อั้นในการทํานั้นเนี่ยมันก็เห็นได้แล้วก็นจเห็นความรู้สึกครับก็รู้ได้อ่ะ พอไม่อั้นในการคาว่าอั้นกั้นมันจะหนักครับอันนี้เบามันจะเห็นขนาดเบาแล้วขนาดก็เป็นความปล่อยความวางแล้วดูอะไรก็อย่างนี้เบาเนี่ยคำว่ารู้อะไรก็รู้เบาๆ่างนมันก็เบาแล้วถ้าเป็นเรารู้สึกเหมือนไงเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรนี่จะหนักครับแต่นี้ถ้าเราเห็นความรู้สึกนี้เราจะรู้จักผ่อนคลายคลี่คลายทำงานทําไงถึงไม่เหนื่อย นั่งไงไม่โวดเมื่อยแล้อยังสนุกอีกตัางหากครับ<อ>ยังมีความสุขอีกตัางหากอีกด้วยครับทำไมเลยครับอะไรนะฮะไอนดูความรูสุกว่ น, นี้ยมคารู้สึกรู้สึกเยัรู้สึกรู้สึกความสุขนะยั็ไงไงรอเป็นไงาอนรยังไงเออฮะทไไมเข้าใจดเข้าใจว่าอะไรก็ร้อนร้อนชบแบบร้อน นี่ละเข้าใจผิดก็ตรงี้หมายถึงมาเห็นถูกแค่นะพออย่างนี้อย่างนั้นหรือยังไงต่างต่างก็ตอนแรกอยไปจิ้มพัดนะตาพัดเขาก็เลยจิ้มกับเมื่อกี้หนูยกมือจะถามพัดก็เขายังไม่หนูจะไปไปแบบสกิดอะไพัดก็เลยยกมืยมือขึ้นมายกอมากยกมืออย่างเงี้ยเด็กก็มีความสุขไงเด็าก็เล่นเอ่างนห้ชีวิเด็ก ให้เรารู้ตัวอะเดี๋ยวนี้เรารู้สึกมีความสุขกำลังหัวเราะเราก็รู้กำลังดีใจหรือกำลังพอใจแล้วเราก็เห็นนั่นนะแต่เราไม่หลงมีคำว่ารู้ตัวรู้เห็นเห็นภาวะของตัวเองเห็นความรู้สึกของตัวเองนั่นเองเราก็จะควบคุมได้นะแต่นี้เวลาคนฟุ้งปับก็รู้ให้มันฟุ้งอยู่เราก็จะดูเฉยๆเราก็จะเฉยได้เรา ผ ม, มถ้าไ ม, ไม่รู้ตัวนี่ทําวันพุ่งก็จะพุ่งไปเรื่อยเป็นเรารู้สึกว่าเราพุ่งเนี่ยมันจะ ต, ตรงนี้ที่ที่ผมเห็นคือเราเห็นความฟงแต่เราไม่พุ่งกับมันเรเห็นมันฟุง้งก็ฟ <c oughs> ุ้ <c oughs> งเฉยเฉยก็เห็นก็เห็นความรู้สึก <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่ตัวตอนนั่นแหละเป็นภาวะธรรมนั่นแหละเห็นธรรมมากกว่าเห็นอย่างนี้แตอนี้ผมมันฟุ่งเราก็ไม่ทุกข์ก็นั่นแหละเราไม่ทุกข์แปลกมันแปลกกับตัวเอง คือรู้ว่ามันมันอย่างกินนมแล้วเราก็ทำไปเรื่อยมันไม่ฟุ้งเลยพอเรารู้เท่าทันแน่นมันปุ้งเราไม่รู้เท่าทันเพราะเราไปปรุงแต่งขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เราเราเคยควบคุมเอออยากให้มันปุ้งหรือฟุ้งพอมรู้มันจะเป็นอะไรก็ปัดได้ใช่เห็นอย่างเมื่อคืนนอนก็รู้ว่าจิตมันไม่ยอมนอนจิตมันไม่ฟุ้งฟุ้งก็ฟุ้งแค่ดูมันฟุ้งม่สบายฮะมันไม่มันไม่ไม่ทนรมารย์มันนึกเหมือนก็นี่แหละเราก็รู้จักก็เป็นไปทรมารย์ก็เป็นไปเพื่อมันสบาย ไม่ไปวิ่กขางบนกับอะไรถึงเงียนอนไม่เราไม่เราก็ดูไม่ลับก็ดูมันนอนดูมาใช่เฉยแล้วไม่งุนงิดไม่ลำคานม่ลคานใช่หรืเ่เนี่ยเราะเนี่ยเราดูใจของเรามีงุนงิดลาคานไหมใช่ถ้าเรารู้ตัวไปงุนงิดลาคานก็เกินเราก็จะเห็นทุกมันจะทุกขึ้นมาใช่ครับใช่แล้วก็ดีขึ้นมาได้นี่นะถ้าเราเราจะเข้าใจเลยมันจะเห็นสัจธรรมที่ต่างไตอนนี้รงนีผมเห็นชัดเพราะถ้าเกิดเราความจริงเราจะเห็นความจริงนะ เปมองฟงซานป่ะเออมันไม่ใช่เราอ่ะใช่วมันมันก็ไม่ถูกอืมแปลกดริงแปลก้ากจริงก็นี่แหละอ่าี้ก็เลยเนี่ยเขเลยทุกน้อยลอืมไม่ไม่เอาอะไรกับมันนะ่มันแค่เง้นเนอ่ะอย่างีพ่อผมชอบมันก็เงนเนจริงอ่ะก็มีคาถามนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องกลาวด้ว่อมีอะไรถามพ่อจะได้พักผ่อนถามได้ไหเดี๋ยวจะได้ทําอยู่ใกล้ๆอยูที่บ้านอ่ะอยู่ อันนี้ก็อยู่ ใ, ใกล้บ้านผมอยู่บางซื่อทำก็คงไม่ไกลเท่าไหรเดี๋ยวส่งไปบ้านแต่ให้ทําำในบ้านแม้บอกให้ถึงบ้านหกโมงเดีย๋ยวเนี่ย<ม>ทําหน้าที่ดีที่สุดนะเราต้องรู้จากหน้าที่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราเป็นหน้าที่เราทําหน้าที่นักเรียนให้ดีที่สุดเป็นลูกก็ทําหน้าที่ของลูกให้ถูกต้องให้ดีที่สุดใช่ไหมคุณยายเราลูลอยู่นะใช่ไหม